มือเราติดติดสัครมีมาแล้อันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าเพราะเราตีกับตัวมันมีอะไรอันนี้อันนมีอะไรอะไก็อย่างอันนี่างกันใช่ไหมครับก็ทำทน้ำนู่นนอันนี้ทำน้ ความขน้เอาน้ำที่เลกลิ่นเมีกระดานมีกระดานน้ำระดาน้รดานเาะที่นเจะทที่นี่น่ยาน้ำมันจะดีเราเงเะที่คนนี้แล้วนี่มันดีจะ งานวันหนึเจาะแก้วเหมือนันมาได้นเจาะข้างบนนี่ไม่ได้เลยเป็นเกลียวท้หเจาะเป็นเกนี่ยแล้วกลับาได้ตรงนี้กลับไปได้ตร็นี้นี้จะพานอย่นี่จะพานกับน้ำอยู่นะ้งหน้าเขาเลี้ยงชื่อแ้วเลตีนี่้ำบ่อยคงจะ น้อยออันนี้เค็มใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแม่ใจ่าตน้นเาติดเงมนได้ไปแล้วครับจอดไปขอแน่อดจอห้ปจอดไปขอแน่คืทั้งานมืีเลยไม่ได้มีน้ามืดี โอ้นั่งอยน่กับลูมาขอผดูลูอ่ะเดเสียแล้วเดีเเดอยเสีังน้ำหนาวเดีดีคงไปดีอย่ี้สองเขาเข้ามาขอจะผมยังไม่ให้เห็นคนหนึ่งได้ประโันได้ได้แล้วคืบหน้าไปเรือนเรื่องนี้ได้ไม่ขอ ไม่ได้ยังผู้หญิงคนนั้นให้ไปสองหนได้อย่างนี้คือเหรอสคน้องเ็นเงนเท่าไหน่งแสนหนึแสนนั่นมันมว่าช่เรื่งมันเคยตัวมาขออเขากลับไปเลยไม่ให้เคยตัวขึ้นหน้าด้ยตอนอย่าว่าเอาเอาคุณาลงินที่ดตัว งานถึงให้เจ้าดีจาเป็นอนนี้จะมาพระเป็นเป็นทายเมีกให้ลุงมะน้อยเมียที่เราจับไม่ได้ที่จาเป็นันเป็นทั่วไม่คู่หรืออะไรไม่คูู่่ทั่วประเทศไทยไม่บอกเลยเราให้โดยความรู้สึกใจพระ หลาที่มันเปลยนรบุชื่อเขาเที่ยไปสงขลาเขาก็ผ่านเลงผ่านเอยผ่านเล้ที่แล้วแล้หยุด้ืซึ่งเขาเคยออกตั้งชื่อทีมาแล้วนะเราพูดก็ได้ไม่กพูดก็ได้แต่ที่เราเที่ยวเขาโดยเฉพาะโดยเพะไม่เกี่ยวบไรเหมือนเป็นเรื่องสกี่ยวกับของเขาเราให้เราผ่านเลยเพราะราาเกียวเขาไม่ใช่อะไรให้ไปเรื่อง ไปประาศโทษร่ยะเยียมทะลวงไปไม่หมเพราะงั้นเราถึงไม่ได้พูดถึงเลยครับเป็นเรื่องของบูคคลยเาะว่าที่นเรียกว่าทั่วประเทศไทนะอยู่ช่วยอย่าน้ไม่ช่น้อยนะางแต่ความจำเป็นมากน้อยช่ยอย่างนี้นี่ก็แสนกว่านะแต่อย่างนี้ครับเป็นแสนเป็นล้านเป็นล้า น, นล้ า, ลามีย่ทั่วไปเชื่อช่วยโลก อย่างนั้นแล้วเราไม่ระบุไม่ไ ม, ไม่ให้บอกชืเเ่เขาให้เกียรติเขาเอาคามสุขยินดีให้แล้วผ่านไปผ่านไปเหมืองงนมาได้ให้ทั่วประเทศไทยว่าอะไรไม่ว่าผ่านไหนเหมือนกันหมช่วยทั่วกันหมดเสมอกันหมดเราทําด้วยความเป็นธรรมมีความจําเป็นจําเป็นมากน้อยแค่ไหนแค่ไห น, น, น, น, นทดสอบเรื่องรายถูกต้อง ก็เหีด้ว ย, ยคนแล้วควรจะสงเคราะหา์เท่าไหรเท่าไรก็สงเคราะห์ตามนั่นตามเพราะสงเพราะเพราะให้แล้วผ่านโดยผ่านี้หัมันน้อยเมื่อไหรเราทําด้วยความรู้สึกใจประกาศไม่ประกาศเป็นไรนะีะให้แล้วเป็นนั่นให้แล้วถูกต้องแล้วถือรับแต่แล้วก็ขึ้่นอยูนแล้วนี่ไปโคตรสนาเลยเหยียบคนนั่นเลยไม่ให้เขาจะดีกว่านะ ยยยยยยอย่างนั้นขยันย่ำทาเกียรนเราเกียรตเป็นของสาคัญอย่างนั้นเราเป็นปฏิบัติเป็นอย่างนั้นเรื่อยมาถ้าเขาออกมัจริงแล้วก็เราจะพูดก็ได้พูดก็ได้ถ้าเป็นเรื่องลูกภายในเินจะต่อจะตก็สวนชื่อนามเท่ากับสงวนศักดิ์ศรีเพรว่าอะไรแล้วผ่านอย่างอุดรนี่ก็มีน้อมาก เราพูดเฉพาะท่ากล้นเหมือนมไม่ให้นะผมให้แล้วเหมือนไม่ให้เหมื อ, อนกันหมด <S <S ม <S <S เพราะอะไอารมณ์กับอะไรจะไปเพืองเอาบุญเอาคุณในาสัตว์ไปบุญคุณอะไรก็เกิดจากเราพูดทำไปก็เกิดจากที่่เกิดจากเราบุญก็เกิดจากเราคุณก็เกิดจากเราแนละ้วปัญหาเพื่องทนะี่ไหนจะให้บอกช้ำเขาเราียกว่ า, าที่มาจากนี้ ม, มาการที่มาต่อโรค ผมปฏิบัติสุดขีางความเมตตาและบริสุทธิ์เต็มที่เพราะงั้นใครที่จะมาว่าการรู้ธรรมะดีแก่อย่างไงผมยังไม่เคยว่างเราเป็นคนทําเองรู้โดยเราเองทุกสิ่งตัวอย่างเขาไม่ได้ทําเขาจะว่าอะไรสิ่งสี่สิ่งห้าเติเตีงออยงเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราดีอยู่แล้วสนใจเรานั่นนั่นหลักทํามไม่เอียนไม่เยียงกับเราโกงแน่วเลยถึงเรียกว่าทำเอาเป็นแบบสบับได้ เรื่องโลกโอยมันมีแกวความมู่ฟองตืดท่วมทอนมันประดับประดาะตกแต่งกันมาแล้วมาหลอกกั น, นมีเรื่องเ ร, เ, ไไออออเรื่อยๆเรื่องไปเรื่อยๆเรื่องไปเรื่อยเอะไรต่างนะไปเรื่อไเร่องไแล้วเรือเ่องอะไร่าปู่ เออเดี๋ยวฟังเงียบอยู่นิดหนึ่งก่อนอถ้าเราเรื่องเกี่ยวผมช่วยชาติบ้านเมอืองอยู่นี่นี่นะไม่ควรสอดแทรกอย่าไปสอดแทรกจะไปอวดรู้อวดฉลาดนะความรู้เท่าหางอื่นนี่นะอย่าไปสอดแทรกนั้นทําให้กระทบกระเทือนทําให้เสียหายมี่นะอย่าไปอวดรู้อวดฉลาดเจตนานะั่นแหละเจตนาของหางอื่นมันนี่ กิจกาทของหลักของมมันหลายอย่างะหาส่อหาแทรกเรื่องนั้นเรื่องนี้อยากคู่อยากเห็นแล้วคันเอาแล้วก็เอาไปมาเผ า, เากาันเผาส่เสียงนาวมันได้ยินอยู่ น, น, นั่นอะวัดนี่ว่ะผมก็ไม่เคยเชื่อเฉยไม่เคยบอกขอความช่วยเหลืออะไรอะไรจากใครที่มันแสดงอย่างนั้นก็เป็นเรื่องอวดดีไปเลยนั่ะถ้าอยากต้อะ ถึงเจตนาจะรังดีอย่างนี้แล้วก็กาความผิดพลาดนั้นเป็นปวามเสียหาอย่างร่ายแรได้นะนะใครจะไปอวดดู้อวดฉลาดซ้อแท่บเรื่องนั้นเรื่องนี้นะวันนี้อย่าหูดีตาดีในสิ่งที่โฉกกระปบเรื่องโรคไม่ใช่เรื่องสะอาดนะเรื่องธรรมที่เราปฏิบัติอยู่นี้ต่างหากเป็นเรื่องที่สะอาดรักษาไว้ให้ดีไปยุ่งอะไรกับเรื่องโรค ถ้าดำเนินมาที่ผมจะเอาความช่วยเหลือจากหมู่ส่วนคนปกครอก็ยังพ้ิบัติมาแล้วไม่ขอไม่กระรูปกันเองที่ควรจะช่วยเหลือกันยังไงให้งานการดําเนินไปด้วยดีไอสิ่งที่อุบาต่งางๆวิธการที่เรานําจะนําไปใช้เพื่อช่วยโลกและหนุูทำนี้ต้องได้พิจารณาอย่างมากนะย่างผมดําเนินใน ผมดำเนินโดยคำพังเขาเรงความชั่อ่านทุกอย่างในเท่าที่ผ่านมาผมไม่เห็นผิดพลาดอะไรไนะอ้เรื่องที่มันมีอะไรขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องของผ ม, มเรื่องความผิดต้องเขาต่างเราเองไม่เห็นมีผิดอะไรเลยที่ได้จำตําหนิตนเองที่ดําเนินอยู่ตั้งแต่ต้นมามันไม่เห็นอะไรเพราะเราพิจารณ์เต็มสัดเต็มสวยแล้วออกออกออกออก ควรเบาๆควรหนักๆควรเด็กๆอย่างนั้นทําไปอย่างนั้นเหมือนเขาถากไม้แต่ควรถากเบาๆเขาเบอกเบาอะไรที่จะเบาเพราะอะไรเพราะควรจะถากเบาถักหนักคนนั้นไม่ได้เนี่ยวควรจะถากหนักก็ต้องหลกเพราะมันโคตมันงอก็ต้องหนักหนึ่งถากไม้เนี่ยเขาทําไม้ท่อนียวเขายังถาก เบามือหนักมือต่างกันนี่งั้นเหรออันนี้ควรจะหนักก็หนักเรื่องทมควรเบาเบาควนเบาไปหนักไม่ได้ควรหนักจะเบาไม่ได้มันนั่งเหมาะสมอยู่กันคู่ทำเองเหมือนเขาถามงที่ควรจะเบาเราจะไปหนักมือไม่ได้เนี่ไม่ได้ในช่างทำเป็นอย่า อ, นะอย่าไปหูดีตาเร็วนะ ว่าหูดีตาดีมันหูเร็วตาเร็วนะเรื่องเราอะไรไปสอดไปเสื่อนุ่งอย่างรูดังนั้นดังนี้แล้วเอาความโสโครบขเข้ามาเลยว่าที่นี่ใครเป็นคนรับเพราะผมเองเนี่ยมันอยู่กับผมถ้าเวลาไปทํามันไม่บอกไม่กล่าวเวลามันโสโครบมากระตุ้นแล้วจึงมากระเตือนผมเนี่ยยืนหัน้นอาอา้าวเดือดนะ อะไรที่ไม่สบายเขาเขามานได้พอดีเลยนะเวลาเบอกเรื่องเกีในเรื่องผู้คนหญิงพวหยิงก็กขายอะไรเข้ามาเกี่ยวก็าบอยาทำตัวสนิทสนิทกระหน่ำเขาเนี่ยยินมาทําตัวสนิทสนิทเขาเขาให้เห็นไม่ได้นะยิ่งในครัวนี่ไม่ได้เด็ดขาดใครจะเข้าไปถ้าไม่ใช่เรื่องผมสั่ง มีเหตุจำเป็นอะไรไๆที่จะให้เข้าใครเข้าไหมล่ะเนะไม่มีสักถามนะไล่นี้เลยเพราะได้สั่งเสียเรียบร้อยแล้วเหตุผลกลไจที่ควรจะเข้ามีอะไรมาปรึกษาเพื่อนผู้หมเพื่อนเวลาเพื่อนผูงหนุ่มเวลาผมไม่อยู่เวลาผมอยู่จะปรึกษาใครแต่ใหญ่สงวนหรือผมสั่งไปรักษามากไม่ได้การเรื่องผู้หญิงกับท่านเป็นภัยต่อกันอย่างรวดเร็วว่าอะไรจริต้องได้มารระวังตลอดเวลา ไม่มีอะไรลวดเล ย, ยิ่งกว่าหญิงกับชายายกพระผู้หญิผู้หญิงเห็นไหมที่แสดงไว้ใครอมือเท่านั้นนั่นดังนั้นลผู้ข้าไปมันเห็นเนี่ยเท่ามันน่าดูไหมดูสิหน่ะในถ้ำกลางสงมันหญิงมาจากไหนนาง น, น้าเนี่ยเนี่นคยความเคยกินต้นตางมมันเป็นอย่างนี้นะทําอย่างนี้ฟังดูมันดูได้ไหมครูว่าทางกันนั่งสโซนท่พระสงฆ์นั่งแบบนี้ ไม่เคารพสงฆ์ไม่เค า, ารพ ค, ครูอาจารย์เคารพใครเคารพอะไรอย่างนี้เหลืออันนี้มีพระศาสนาให้เฉลยรู้เลืองร่าผู้เที่เอานี้หรือไปสอนศาสนาสอนโลกนั่นน่ะมั น, น, นมดูง่ายดูง่ียพูดเรื่องอะไรก็มาเห็นควงหน้าอย่างนีน้ที่ไม่เห็นมันเป็นอะไรนั่นหน้ า, นานะพิจารณาอยู่นะพูที่เจ้าการเตียงไม้จ่อพระอา น, นุ์ พระนนทูลถามมุงเจ้าการปฏิบัติต่อมาถุกความคือผู้หญิงนี่จะให้ปฏิบัติยังไงฟังที่นักฟังให้ยินะนักเนี่ยพระนรนทูลถามมุ่งเจ้าการปฏิบัติต่อมาถุกความคือผู้หญิงนี่จะให้ปฏิบัติยังไงนี่ใครก็เห็นได้กันทุกตันี่ยพระนรนทูลถามมุ่งเจ้าจะให้ปฏิบัติงเพราะว่า ไม่เห็นไม่ดูใช่เลยอ น, นุนดีฟังใช่นะ่ะคือไม่เห็นไม่ดูเลยนลั่นแหละดีนั่นพักแล้หากว่ า, กาจำความจาเป็นที่จะได้เห็นได้ดูมีจะทํายังไงยาพูดนั่นฟังที่น่ะนะนี่ล่ะใครที่รุนแรงที่สุดอยู่จุดนี้น่ะนท่านบอกว่าถ้าจําเป็นจริงที่ควรจะรู้ได้เห็นจะทําังไงยาพูดนั่น ทางที่เขาจะเป็นที่จะได้พูดหลักนั่นพระนรนทร์่านฉลาดขนาดนั้นนะที่จะพได้ทําทำมาให้ตั้งสติให้ดีนั่นเห็นไหมให้ตั้งสตินี้อย่าให้เป็นไปตามหาเสียงรักฆาตัณหาสามประโยคน์นี้ตะเคือนหนวดทั่วประเทศอหญิงกับชายพรา ก, กับผู้หญิงมีตะเคียนมากเอียดสาหรับพระกับผู้หญิงมีตะเคียนมากนีก้ต้องชายโวโลกตลอดสัตว์ัก็เหมือนเหมือนกัน ไม่ เ, เขามาเป็นตัวเกณฑ์พระวูดีเจ้าสอนพ่าต่างเรื่องโลกของเขาเป็นโลกของเขานี่เัาเด็ดหมายฟังที่วูดีเจ้าคุณได้เมื่อไรเรื่องเหล่านี้มนะีของเล่เมื่อไรไฟตัวนี้ตัวสําคัญมากเราจะได้เห็นเวลาปฏิบัติต่อมาเมฆอันนี้มันขึ้นมันขึ้นคงจนได้ได้พูดได้สอนในหมู่เพื่อนกันงเราเรียนหนังสืออยู่เห็นสิ่งเหล่านี้ก็เห็นทํางานและทุกทางก็ มันเห็นแสดงความแปลกประหลาดสะดุดใจสะดใจพอ่อปฏิบัติตั้งหน้าจะฆ่านะี่อาการอันนี้มันจะออกในกิตในจิตเยบแยบแยบแยบวงอยู่ตลอดเพราะธรรมจนแต่นี่เนะี่ยแต่ก่อนเราไม่ตั้งหน้าต่าง ก, กายทำร่ามันที่นี่เวลามาตั้งหน้าต่างกายธจรมจีนแต่แต น, นี้เต็มหัวใจนะมันเป็นในจิตนั่นแหละท่นไม่ได้มาแสดงภายนอกเนี่ยถึงจนกระทั่งเหมือนว่าโมโหเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเป็นภัยมากเลย ถ้าตัวนี้จะรุนแรงหาความสงบร่มเย็นเป็นตัวของตัวไม่ได้นะพระอะไรเพราะฉะนั้นอย่าคุณกับเรื่ององนี้เป็นภัยผู้เจ้าเห็นว่าเป็นภัยเราจะเห็นว่าเป็นมีแต่็จะหายนั่นแหะคือมหาภัยเขาเหมือนกันพระตัวนี้เป็นอะไรที่ไหนๆกันเดียวนี้มันถือเป็นคู่กันแล้วนะไพระกับยากผู้หญิงดูมันเ่อะเธอไปหมดเลยดูแม่ได้เลจะทั่งพระดูพระไม่ได้บางอันเดี๋ยวนี้ผมพูดจริงๆไง ให้ดูข้างดูจะดูวม่ย่ามันก็เปลี่ยนใจพลาดแบบนี้เราให้ระวังให้ at, ใหดีนะยาเกินก็สัตย์ดาราเนี่ยรัตยาราสอนไว้สามประโยชน์อย่าเห็นอย่าดูเอารมณริงภาพประจำเป็นที่ดีหลวงคุดูจะทําไงอย่าพูดนั่งฟังดูเป็นไทยกนหน่หยถึงเล่นเด็กอย่างนั้นภาเอาจําเป็นที่ควรจะพูด แล้วทำไงให้จ้งติดให้ดีเนี่ยคือจ้างติดพูดเวลาจำเป็นเท่านั้นแล้ะถ้าจากกันเลยไม่ได้มาพุกข้าววุ่นวายกันเอาไฟเผากันเผาสดๆร้นนอนๆไปเผาอยู่ันชั่วทีไปที่เด็ดจังหามาเผาพลาเผาหมูแม้ก็จะถักกระเทือนทั่วโลกนี่ไม่ใช่เรื่องเล็ก น, น้อยนะภาะคจำมรทำอยนางเงี้ยนะยาคุ้นกับฟครของคุณนะที่เจ้าไม่สอนเนยคุ้ยาคุ้ สอนระวังอย่างคนพีษเนี่ยมหาภัยความจุดเนี่ยคือมหาภัยไม่เห็นไม่ดีเลยไอ้ดีจาเป็นนี่อย่างงยยาพูดคือไม่ให้ความเฉนิดเลยกับผู้หญิงเฉนิดไม่ว่าทาเลยกันพี่นะถ้าจาเป็นนี่เพื่ออะตั้งสติเฉนิดคือมีตั้งท่าระวังพูดเรื่ความระวังอะไรว่าพลาจะทํากันพิษ เ, เมื่อเหตุจําเป็นที่ควรจะพูด พูดด้วยตอนนี้สืนแมวจากกันจทีเลยอย่างนั้นนะพากันจยา่าคุณนะคุณกระตุ้นมาตายดีมพระพุทธเจ้าเนี่ยพาคุณยาคุณจะอวดดีกว่าสัตว์ละนะขึ้นที่ไปดูที่บอกว่าเสียงสวบาน ขับรถ้างอาครับสร้างบ่วงแหงนันระยะนั้นมกนะครับถสร้างามาตั้งแที่เอนี่เท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยั ปวารณาภรนอตวภูเบนะวอีถังภูบันตาจาระตบางแห่งเจตันข้าวธรรมะจนมาตาปะะผลิตุจลังจาราสนะปัญญะปัญจปาเยปริทอจีอยู่ะทะปัญจขันดารห้านางฮิทูนางันดาภรนนจเตสเยวะอัตตาปวานานางปวารณายติอาารนนจอุตุภามนาินจาร์ฮิทูภนอตจารทนีนบ่วาโลาติ ตถาภรเนจะตมสุดิารณาสุริยาโลกสะอธิการณีอรานตีหูโนงดังยานัตหิบูหิตตาิปะรธาห้มสิกชันดาหารณะปวาณอาหารณานิานัอิสังอบัพหาสมายงหัพาสังิจิตวมีสินนานงดิูนงอภาวตนทีอุุขานางนามะ นามะเอตกังอติกันตังเอตกังอาวสิทธันติเอวัง อ, อุตอาจิกขะนังอุตูนีานาเนเมากวะวะซาเสนให้เมตกินหาวะวานานังวาเซนติใม่ห้นติายังวะวะนตูดีมาสินจ้าอุตุมหิสัตตะจากอุปโสธาเอากาจากประวะัติานาหินนาประเทศนาเอากาประวัรณาสัมปตาปัญจอุปโสธาอตาิกันตาลเลโโปรสธาอาวสิทธะ อิเตวังสบิอาสนเตฮิุานังอารีตับังเฮียร์ฮิโกะนะนนาามิมสิ่งกวารณะเกะกวารณะทายาสุปติตาหิทูเอตคาติหิูนังกนนามิมสิงะวารณะเกสัตตะ สัตตพัญญาสัวิูสันิาหนติลติสเบหีอายะสันเตหีภูพโนนาติอาราวินโมวปนาอิานิตาสังนกทีกายนักที่ิตสัพพะนักท้าสานุปปิจานกตตานิรโอคาสานุปิจานปกติยานิิตตาเอวันตังนวะอิทังปปภิกังปะวิิิตังหติ เจติเจจัเสซดิวซจารตสีปันอสสมกนนมันยัโโยยถาตภวนนละที่ยาววิกาจับฮิกูกรรมปัตตาสรงสังบวารนาห้าปัญกวาตตวติเรตประกาศตาปารานาปนาสังเทนวะอนุปิตาเจตข้อถาปารังอุตตเอกสีมาย่งติตาเสัจัวิกาละโถนาบุวเสนาสังฆาปฏิยเจนวิติ เอจะตสัสนสบียวันตังกวาระกามังอิเหิจตุหิลักขุนหิสังเหิตังปัคลังนามะโหติกาตุตรปังวารณธรรมสัพะละตังริวาดานิริยมานาปวารณสังเหะอนุมาเนต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 สังโฆสมานนบสิกังกปวารยะสุนตุเมหันเตสังโฆอปาวารนาปัญละสียะดิสังขัสสะปะตะลังสังโฆสมานนบสิกังวารยะสุนวตุเมันเตสังโฆอปาวารนาปัญละราสียะดิสังขัสสะปะตะลัง สังโหสมานภาษีกลงปวารียะอ้าหันเอากนหันหน้ากันด้วยเหรอก็ผมนี่น wow. wow. mm ั hm. ่งนโมนอนน้องกก่าคุณจานโมพ่อจ <roc ł> <Montgomery> mm ันทร์หร่อเปาอานาไปงศักดิ์แล้วหันขอพระเจ้วยอย อาณาธรรมสัมทโอะวะบังะกวัตานิวเมวคโตอะะตมโหมอมะนัาิสุปัตปันโอะโตสาวะสัโ Amen. No. สงังเอาฮะสรงขังเอาโซโบอาเดนสร้างขังสรงสรงขังอาโซโบอาเดนดิเทสเตาสงกายววดันตังอสมโตอนุกปังอตสาญปสัโตปิกิสาน ปุติยมปิอาวุโสตังขังผวาเรนิสเทโนวาสเทโนวาอัญชังกายวะวัดันตุมังอสังตมุกัมปังอุปดายะตั้โตตปุตติการิสามิปุติยมปีตังังวเรนิขังขังอาวุโสผวาเริ พิเทโลวเทวารสังกายวะดันตุมาว้ดันตุมาเว้ดันตุมาอวะดันตุมาไอทุโตอนุกัมปังอุปายะปัังโตปัจจัยสามสามัสัมนต์เจ้า่เม สิเทนะวาสิเทนวาภาริสสะกยวาไม่ดันตุมังยักษมังโนุกัมปัอุปปัายะภะสันโตภะสิกาอิสาิทุิยมติปันสิสังขมภะวันิติเทนะวสิเนะวาริสะกยวาตมังย์มังตนุกัมปังปปัายะะสัโตภะสิกาิสา ทัดท <hel iser soul> sí, ี่ม <visual> ีป <faculty> ีิสั่งทำภูร um ัเรนิดเทนวาสุเตนวาภริส <t asse> <toilet> ังขายวาวัดนตุม no ังยสุตโตมิตรธมปัญญาภัสสังโตภาริสุติทัที่มีปีติสั่งทำภูรัเรนิดิเทนวาสุเตนวาภาริสังขายวา วัดดตุมังอายสมนโตอนุคัมภังอุปดาย a พสันโตปติริสานิตัตยมพหันเตสังคังกวารีมิลิเทนวาสุเตนวาปริสังกายวาวัดดตุมังอายสเหมนโตอนุคัมภังอุปดาย a พสันโตปติริสานิตตยิปิหันเตสังคังกวารีมิลิเทนวาสุเตนวาปริสังกายวา วัดนันทมัง a s y n c h r o u s mento อนุคัมภ์ปังอุปัฏฐายะภัสสันโตปติการิสามิเไม่สไางางค เสียง a ่างเลยอยู่ตัวงานให้สองเก้าสองทุกอางยั้วสองกันเลยเหมือนมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งกลิ่มเหอนกัน 三桶，还有两桶，三桶。